สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิฟเฟเรซูตอนที่สามร้อยแปดสิบเก้าเรื่องใบาปาล์มพระจนาของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อสิบสองพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อสิบสองแล้วจากจนถึงข้อที่สิบเก้าโปรดฟังพระเจของพระเจ้าวันรุ่งขึ้นเมื่อคนไปนั้นมากที่มาในงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเส ด, ดมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม เขาก็พากันถือทางอินทภาลัมออกไปต้อนรับพระองค์รองว่าโฮชนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์ผู้ว่ญเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นเหมือนดังที่มีคำเขียนไว้ว่าทิดาแห่งซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมาทีแรกพวกสาวกของระรงไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้น แต่เมื่อพระเยซูทรงประสบเกียรติกิจแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคําเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และคนทั้งหลายได้กระทาอย่างนั้นถวายพระองค์คนทั้งปวงซึ่งได้อยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกลาสลัสให้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพและทรงให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็นเหตุที่ประชาชนพากันไปหาพระองค์ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำหมายสําคัญนั้นพวกฟาริสี จึงพูดกันว่าท่านเห็นไหมว่าท่านกระทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปหมดแล้วพี่น้องครับพระเยซูได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตในการเสด็จนี้พี่น้องได้ฟังคำเทศนามาเยอะแยะมากมายทุกๆปีพระเยซูเป็นผู้ที่พระกัมพีเดิมได้ทำนายไว้หลายศตรวรรษโดยผู้เผยพระชนะมากมายยกตัว อ, อย่างเช่น เชคการิยาและเหตุการณ์ในสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูนั้นก็นำไปสู่การถูกจับกลุมการพิพากษาลงโทษการสิ้นพระชน์ของพระองค์การฝังพระศพและการเป็นขึ้นในความตายของพระองค์พี่น้องครับมัตธิวมารโกลูกาไม่ได้กล่าวถึงการหยุดประทับที่เบธานีเหมือนหนังที่ยอนได้บันทึกไว้ยอนได้บันทึกไว้ถึงการที่เพเยซูร่วมรับการเลี้ยง กับปราสะลัสโดยมีมาทาโพนิบัติและน้องสาวของมารีก็ได้ฉลมน้ำมันหอมแด่พระองค์และในลูกาก็เชื่อมโยงกับตอนที่พระเยซูพบกับซักเคียสในด่านเก็บภาษีที่เมืองเยริโคเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มัทธิวมารโกลูกาไม่ได้กล่าวถึงการหยุดประทับที่เบธนีแต่ว่าเหตุการณ์ ที่เปเยซูเสร็จเข้ากรุงเยโอเซมนั้นมัตทิวมารโกรลูกาและยอนนั้นบันทึกไว้หมดแหละครับทุกคนได้ให้ความสําคัญของเรื่องราวของการเสร็จเข้ากรุงเยโอเซมอย่างผู้พิชิตของพเปเยซูนั้นสูงมากครับเรามาดูกันครับว่าลูกานั้นเริ่มเรื่องของเขาเกี่ยวกับการเสร็จเข้ากรุงเยโอเซมของพเปเยซูนั้นว่าเกิดที่ไหนเปเยซูและบรรดาผู้ติดตามพระองค์กําลังอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศครับ ใกล้เมืองเบตฟายีเบตฟายีนั้นเป็นหมู่บ้านหนึ่งติดเยรูซาเล็มครับภูเขามีระดับความสูงเฉลีย่ยประมาณสองพันหกร้อยฟุตอยู่ทางทิศตะวันออกของเยรูซาเล็มและจากยอดสูงสุดของภูเขาเราสามารถมองเห็นภาพอันสวยงามของกรุงเยรูซาเล็มได้พี่น้องครับพระกิตคุณทั้งสามเล่ม น, นะครับได้บอกว่าพระเยซูส่งสาวกออกไปยังหมู่บ้านข้างหน้า ซึ่งอาจจะเป็นหมู่บ้านเบ็ดฟายีลูการ์มาลโกบันทึกไว้ในเรื่องราวของเขาว่าสาวกสองคนนั้นจะต้องไปนําลูกลาครับลูกลาที่ยังไม่เคยถูกขี่ที่ผูกไว้ภาษาอังกฤษนะครับภาษากรีกครับที่หมายถึงลูกลาก็คือโพลลสซึ่งหมายถึงลูกของสัตว์ครับอาจจะเป็นลูกลาก็ได้หรือไม่เป็นลูกลาก็ได้แต่คําพยากรณ์ของเซธเทียใน ใชคัรยาบทที่เก้าข้อเก้านั้นระบุครับว่าเป็นลูกลาชัดเจนเพราะเป็นภาษาฮีบรูมัทธิวยอนก็ได้กล่าวอ้างอย่างเจาะจงครับว่าพระเยซูเสด็จทรงลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มลานะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขครับลาเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับเราจะไม่ขี่ลามาลบกันนะครับแต่เราจะขี่มา้าเมื่อก็ตามที่กษัตริย์ขี่ลาแสดงว่า บ้านเมืองสงบสุขเราสังเกตได้นะครับไม่ว่ามัทธิวนะครับเอยถึงสัตว์สองตัวในข้อสองของมัทธิวเขาเล่าว่ามีแม่ลาตัวหนึ่งผูกกับลูกลาของมันที่น้องครับมัทธิวนั้นบันทึกละเอียดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขครับเพราะเนื่องจากมัทธิวมันเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนและเป็นนักเขียนที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากและเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมมากกว่าคนอื่นนี่คือ ลักษณะนิสัยของมัทสิวและเขาใช้นิสัยของเขามาบันทึกพระกมพีภายใต้การดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะเห็นว่าการบันทึกนั้นก็ถูกบันทึกอย่างเฉพาะเจาะจงตามน้ำมัไทไของพระเจ้าและตามสิ่งที่มัทสิวได้เห็นพระเยซูทรงทราบครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นพระองค์ก็บอกกับพวกเขาว่าควรจะตอบอย่างไรถ้ามีคนถามว่าทาไมแกเชือกที่ผูกลูกลามา คำตอบของพวกสาวกก็คือพระองค์ต้องประสงค์ลูกหลานนี้และจะส่งกลับมาในเมชาลูกาบันทึกแค่ที่ว่าพระองค์ต้องประสงค์มันพวกสาวกก็ได้พบลูกหลานตอนตามที่พระเยซูได้บอกเขาและคำบอกเล่าของมาระโกก็เล่าว่ามีบางคนยืนอยู่ ใ, ใกล้ๆประตูทางเข้าซึ่งลูกหลาผูกอยู่พวกเขาคือผู้ที่ตั้งคาถามพวกสาวกขณะที่เราอ่านเรื่องราวนะครับในพระกิตตคุณทั้งสี่เล่ม เราคงจะสังเกตได้นะครับว่ายอนนั้นเริ่มเรื่องของท่านที่เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูท่านไม่ได้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับพานะที่พาพระเยซูเข้าเยรูซาเล็มแต่ท่านเพิ่มเติมสามเรื่องที่หนังสือเล่ม อ, อื่นไม่ได้เขียนไว้นะครับนี่ก็เป็นการขนับช น, นความจริงที่ว่าเวลาที่เราอ่านตั้งกิติคุณเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตประวัติของพระเยซูนั้นเราต้องอ่านนะครับถึงสี่เล่มด้วยกันเพื่อได้สาระครอบคลุมเกี่ยวกับชีวประวัติของพระเยซูที่สมบูรณ์ที่สุดครับเรามาดูต่อนะครับ ว่าในพระกัมภีร์ทั้งสี่เล่มนั้นได้พูดถึงพวกสาวกเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังลาและประชาชนก็เอาเสื้อผ้าของตัวเองนั้นปูบนพื้นนะครับที่สาวกเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังลานั้นเพื่อเป็นอานรองที่นั่งนุ่มๆให้กับพระเยซูครับและมัทธิวลูกาก็บอกว่าพวกสาวกก็เชิญพระเยซูประทับบนหลังลาภาพทั้งหมดของการเตรียมเสด็จเข้าเยรูซาเล็มของพระเยซูคล้ายคลึงกับการจะเตรียมสําหรับองค์พระมหากษัตริย์มีการจัดทําไว้ทุกอย่าง ภาพที่สาวกเตรียมการเสด็จเข้าเยรูซาเล็มให้พระเยซูนะครับเตือนใจเราถึงการตะเตรียมของบรรดาข้าราชการกษัตริย์ดาวิดในการเชิญกษัตริย์โซโลมอนขึ้นหลังลาในกระบวนแห่กษัตรูเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับในการตะเตรียมต้อนรับพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองในฐานะกษัตริย์พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์หนือกษัตริย์และจอมกษัตริย์ king of kings เราเองนั้นก็จะต้องตะเตรียมตัวงเราให้ดีครับในการที่จะพบกับพระเยซูเพื่อถวายรายงานพระองค์ เรากลับมาดูนะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีการประกาศว่าพระเยซูจะเเข้าเยรูซาเล็มครับแต่ข่าวนี้ก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วพุ่งลงมาถึงฝั่งซ้ายของภูเขามากอกเทศบรรดาประชาชนก็ปูเชือกผ้าของเขาตามหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้จากต้นไม้มาระโกบอกว่าจากทุ่งนามาปูตามถนนยอนบทที่ 12-13 บอกว่าฝูงชนในเมืองก็ถือกิ่งใบอินทผลัมนะครับซึ่งเป็นหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือ อินไบอินซาปาลามหมถึงใบปาลามครับใบปาลามนั้นก็ถูกฝูงชนเอามาเพื่อที่จะต้อนรับพระเยซูครับเราจะเห็นนะครับถ้าเราจินตนาการมองดูเหตุการณ์นี้จากมุมสูงนะเราจะเห็นขบวนผู้คนสองขบวนที่เคลื่อนเข้าหากันเกือบจะรวมเป็นขบวนเดียวกันก็คือกลุ่มผู้ที่ติดตามพระเยซูอยู่ก่อนลงมาจากภูเขามะกอกเทศมาบรรจบกับกลุ่มที่ออกมาจากกรุงเยรูซาเล็มครับใ น, นที่เป็นเหตุผลที่เรา เรียกว่าการเสด็จมาอย่างผู้พิชิตเพราะกิ่งไม้ที่เขาบอกไว้นะครับกิ่งไม้ทั่วๆไปนะครับที่มีใบมากแต่ย้อนเป็นคนเดียวครับที่บอกว่าเป็นกิ่งใบปาล์มหรือกิ่งอินคาาล์มกิ่งใบปาล์มนั้นมีสัญลักษณ์มีความหมายเป็นไงครับมีอยู่สามประการครับใบปาล์มนั้นเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ในวัฒนธรรมตะวันออกครับประการที่สองใบปาล์มนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความชอบธรรมประการที่สาม ใบปาล์มนั้นเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณของพระบุตรของพระเจ้าในพระบัทีสวดีบทที่เก้าสิบสองข้อสิบสองครับเพราะฉะนั้นความหมายทั้งสามอย่างนี้ตรงกับองค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นกษัตริย์เป็นจอมกษัตริย์ในขณะเดียกันพระเยซูก็ทรงไว้ขึ้นความชอบธรรมพระงไม่มีบาปเลยและจิตวิญญาณตัวตนของพระองค์นั้นก็มาจากพระเจ้าซึ่งเราเรียกว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าต้นปาล์มนั้นมียากรากนะครับอย่างลึก ขึ้นอยู่กับอายุของมันลําต้นของมันนะครับจากพื้นดินชี้ขึ้นฟ้าใบาบนยอดของมันกางออกคล้ายคมงกุฎและใบปกติของมันเหมือนกับแขนครับพี่น้องลอจินตนาการครับเหมือนกับคนที่สวมมงกุฎและยกแขนขึ้นนะครับนั่นหมายถึงใครครับหมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ในอีกมุมหนึ่งครับอาจจะเป็นการถวายการสรรเสริญก็ได้เมื่่อเรายกแขนของเรายกมือของเรานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าและพระธรรมลูกาบอกว่าสาวกทั้งกลุ่มนั้นได้เริ่มร้องเสียงดังสรรเสริญพระเจ้าในการอธจษรย์ทั้งสิ้นที่พวกเขาได้เห็นนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะนําพี่น้องเข้ามาถึงความหมายของใบาปลาล์มทั้งสามความหมายว่าชีวิตของเรานั้นได้ยกย่องพระเยซูเป็นจอมกษัตริย์เป็นเจ้าชีวิตเหนือหัวของเราหรือเปล่าและพระเยซูนั้นทรงความชอบธรรมเราเองนั้น ปรารถนามีใจปรารถนาที่จะมีความชอบธรรมดังเช่นพระเยซูหรือเปล่าและประการที่สามก็คือจิตวิญญาณของพระองค์นั้นมาจากพระเจ้าครับพระองค์มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราเองนั้นจิตวิญญาณของเราได้รับความรอดจิตวิญญาณของเรานั้นได้ผูกพันสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นผู้ที่นําคนอื่นมาถึงพระเจ้าหรือไม่ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทรักทุกท่านในเช้าวันนี้ อามี